ทั้งที่แล้วได้พูดในเรื่องของพรหมวิหารเนี่ยในด้านของพรหมวิหารที่จริงในหลักของคําว่าพรหมวิหารเนี่ยมีด้วยกัน4อย่างก็คือว่าเมตตาการุณาแล้วก็มุทิตาและอุเบกขานั้ น, นพระโยคีบุคคลผู้เริ่มทํากรรมฐานคําว่าพระโยคีบุคคลเนี่ยท่านหมายถึง คำว่ายโยคีหรือว่ายโยคาวจรเนี่เป็นชื่อของบุคคลผู้ทำความเพียนทั่วไปเนี่ยโยคีหรือบุคคล เ, าเ็าแปลว่าบุคคลผู้ทำความเพียนฉะนั้นคำว่ายโยคีหรือบุคคลเนี่ยเป็นชื่อของผู้ทำความเพียนทั่วๆไปโดยเฉพาะเรียกผู้ที่เริ่มทรรมกรรมฐานทั่วไปนนะถ้าหากว่าภายนอกพระพุทธศาสนาเนี่ยทำความเพียน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 ไม่ดําเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ที่ดีงามนี่เป็นอย่างนี้เนีเมื่อการประพฤติปฏิบัติไม่ดําเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตนเองตั้งจิตหรือปรารถนาก็าไว้เนี่ยการปฏิบัติก็เจออุปสรรคดังที่ได้กล่าวมา น, นี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคแห่งการเจริญกรรมฐานที่นี้ผู้ปฏิบัติเนี่ย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 วิธีเริ่มต้นแห่งการที่จะประพฤติปฏิบัตินี่เนเห็นโทษของโทสะคือความโกรธความไม่พอใจแล้วก็พิจารณาเห็นอนิสง์ก่วคือเห็นคุณของขันติธรรม ท, ทีนี้การเจริญเมตตาพระวิหารเนี่ยความประสงค์เพื่อที่จะสลัดทิ้งเสียซึ่งความโกรธแลววะวัตถุประสงค์ก็จะได้บรรลุถึงซึ่งขันติคุณ อันนั้นเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญประกอบด้วยมีกฎความจริงอยู่ว่าใครๆก็ตามเนี่ยน่ย่อมที่จะไม่อาจสลัดลัดทิ้งโทษที่ตนได้ไม่ได้เห็นและไม่อาจจะบะรรลุถึงอนิสงส์ที่ตนเองไม่รู้มาก่อนฉะนั้นท่านจึงสอนบอกว่าพิจารณาโทษของความโกรธและอนิสงส์ของขันติอันนั้นเป็นเบื้องต้นแห่งการที่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 ในที่สุดจริงๆก็ประหัดประหารซึ่งกันและกันโทษต่างๆเหล่านี้ก็มาจากโทสะนั่นเองเนี่นและต้องพิจารณาถึงอนิสงค์ของขันติโดยในที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เป็นหลักเป็นอาธิว่าขันติคือความยับยั้งใจไว้ได้เป็นธรรมเครื่องเผาบาปให้เหือดแห้งไปอย่างยอดเยี่ยมต้องปรับส เรายกย่องบุคคลผู้มีขันติว่าเป็นกำลังมีขันติเป็นกองทัพว่าเป็นพรามคุณธรรมที่จะเป็นเครื่องป้องกันความชิบหายและนำไปซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาให้แก่ตนและคนอื่นที่จะไปประเสริฐยิ่งกว่าขันตินั้นไม่มีว่าอันนี้ก็คือว่าให้พิจารณาดูว่าเออขันติเนี่ยนะ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 ฉะนั้นเมื่อตรวจสอบเบ็ดเสถ็จทะลุว่าใจของเรามันไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดก็ขจัดให้มันบริสุทธิ์หรือให้สะอาดเสียมันเหมือนว่าภาชนะที่เราจะใส่ของหอมเนี่ยภาชนะที่เราจะใส่วัตถุที่มีค่าภาชนะนั้นเราก็จะต้องชำระสาดสางแล้วก็จะต้องทำความสะอาดให้ดียะ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 เมื่อเราปลดเปลื้องจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีแล้วทีนี้ก็อัญเชิญนะนะเหมือนกับการที่ว่าบุคคลจะอัญเชิญกระแส ร, รับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเออรับใส่กล้าวใส่กระหม่อมที่เขากล่าวกันนี่ยนี่ที่เราจะรับกระแสพระราชดำรัสนี่ยเรายังต้องรับใส่เกล้าวใส่กระหม่อมไในลักษณะที่ว่า อาไปประพฤติปฏิบัติโดยไม่มีข้อกังขาใดๆเลยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งกว่ากระแสรพระดำรัดของพระจ้าเป็นดิ น, น ย, ยิ่งกว่านั้นเพราะว่าพระธรรมคำส่องสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยกั้นกลองมาเป็นเวลาเสียสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนครับฉะนั้นก่อนที่เราทั้งท่านทั้ ง, งหลายเนี่ยจะมานาสิการจะอบรมจะเจริญเมตตาภาวนานี่เนี่ย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 สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก็คือว่าลักษณะราษปัป จ, จุบฐานประทัฏฐานสมบัติวิบัติแล้วก็อาสานาป จ, จัตติกะทุระป จ, จัตติกะเป็นต้นของเมตตาเนี่ยนะีลักษณะเนี่ยเขาแปลว่าเครื่องหมายราษฎในที่นั้นนะ่ะรถนะ่เป็นหน้าที่เป็นกิจเป็นการงานของเมตตาป จ, จุบฐานนี่เป็นอาการปรากฏ เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือผลนะี่ปัฏฐานนั่นคือเหตุใกล้สัมปติก็คือความสมบูรณ์ของเมตตาวิปติในที่นั้นก็คือความวิบัติกก่าคือความเสียหายของเมตตา น, นั่นเองประการต่อมาคืออาสานะป จ, จัตธิกะหมายถึงค่าศึกอะไรเป็นค่าศึกของเมตตาข้อสุดท้ายก็คือว่าทุราป จ, จัตติกะก็แปลว่าค่าศึกเหมือนกัน อาสั น, นะแปลว่าค่าสึกใกล้ส่วนทูระเนี่ยนะปัจจะปัจจติกานั้นเป็นค่าศึกไกลลำดับแรกคือลักษณะของเมตตาเนี่ยนะเมตตามีลักษณะยังไงฮีตาการับประวติรักนาก็มีความเป็นไปแห่งกายวาจาในอันที่จะอำนวยประโยชน์ให้แกสัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะ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 นักรบกับนักเดินทางเนี่ยเขาอ่านแผนที่ออกคือเวลาเขากางแผนที่เบเ็ดเสร็จเนี่ยเขาก็จะสามารถรู้ชัยภูมิอย่างดีขีดดูแผนที่ว่าเออเวลาเขาจะเดินทางเนี่ยเขาจะทํำยังไงจะทํำยังไงการเดินทางจะใช้เวลาไม่มากและการเดินทางนั้นจะสะดวกแล้วก็จะไม่ขุกนข่าวเขาอ่านแผนที่ออกนั้นประการหนึ่งนักรบเนี่ยก็จะต้องดูแผนที่เป็นเวลาตั้ง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 ที่ต้องฝึกให้เป็นนั้นก็เพราะว่าถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของชัยภูมิเนี่ยเนี่ยถ้าดูชัยภูมิไม่ออกไม่มีเขาบอกว่านักรบเนี่ยถ้าขาดภาษาภาษานักลบเนี่ยเขาจะมีอยู่คนคนหนึ่งเรียกว่าว่าออมีที่ปรึกษา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 พอดูแผนที่ไม่ออกก็ที่พอแผนที่ว่าแบบนี้เออไม่ถูกใจอีกบางทีบอกไม่เอาดีกว่าเอาอย่างที่เราคิดเขาว่านี่คือปัญหาฉะนั้นประการแรกรู้ลักษณะของเมตตานะว่ามีความเป็นไปแห่งกายวาจาในอันที่จะอำนวยประโยชน์ให้แกสัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยกายกรรมที่เป็นเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตากายกรรมนี่นะเมตตาวจีกรรมพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาเมตวตากายกรรมทําอะไรก็ทําด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตามโนกรรมคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตาเือถ้าหากว่าใจยังไม่มีเมตตาแต่จะเจริญเมตตาอันนั้นผิดหลักแลยเออต้องดูลักษณะต้องรู้จักเมตาก่อนใช่ไหม เมื่อรู้จักเมตตาแล้วก็มาบริหารใจของตราเองให้มีเมตาก่อนก่อนที่จะเจริญเมตต า, าการจะบริหารใจจะทําจิตของเราให้มีเมตานั้นก็แปลว่าเมื่อเมตตาเกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยมองทุกๆุกอารมณ์เมตตาเกิดได้ถ้าอย่างนี้เริ่มได้ดีแล้วเห็นอะไรผ่านเข้ามาทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนเนี่ยนะเมตตากายกรรมเมตตาว จ, จีกรรมเมตตามโนกรรมมันมันเริ่มออกมา มันออกออกมาแบบจับจิตจับใจเลยเนะี่ยไม่ใช่ว่ามันแห้งแล้งเหมือนหน้าแรงอะ่ะเหมือนข้าวรอฝนเงมันไม่เจริญมันไม่งอกงามเลยเนี่ยมองมองหน้าใครมันก็ไม่ไม่เคยมีความรักความปรารถนาดีกว่ามเมื่อตอนเกิดเลยเพ้อเพอมันไส้ส่งอะไรเงี้ยเนี่ยนะอันนี้หมดแล้ว อันนี้ต้องตัดทิ้งไว้ว่าใจใจต้องไม่อย่างนั้นใจต้องประกอบไปด้วยเมตตาทำเมตตาให้เกิดขึ้นเขาเรียกบริหารในในภาษาปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่านักบริหารเ อ, อนักบริหารที่ดีจริงๆริๆนะโดยเฉพาะนักที่จะเจริญกรรมฐานเมตตาเนี่ยถ้าจะเจริญกรรมฐานเมตตา การที่จะเจริญกรรมาฐานเมตตาได้ดีที่สุดเนี่ยก็จะต้องรู้จักเมตตาก่อนลําดับแรกเออเมตตาเขามีลักษณะมีท่าทางมีลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออถ้าเห็นรู้ลักษณะของเมตตาก็ต้องดูว่าแล้วกิจละ่ะราาักษาคือการงานของเมตตาเป็นยังไงฮิตูบสังหารารักษะเนี่ยมีการนําประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายอย่างใกล้ชิดเนี่ยเป็นกิจเป็นการงาน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 เวลาเขาอย he er. he example, ู Actually, example, n, mm ่ใกล้พ่อเขาก็ยื่นประโยชน์ให้กับพ่อเออทาประโยชน์ให้กับพ่อเช่นประโยชน์ในปัจจุบันถ้าพ่อไม่มีก็ทําประโยชน์ให้ถ้าประโยชน์ในพบหน้าไม่มีก็แนะนําประโยชน์ในพบหน้าให้ถ้าประโยชน์อย่างยิ่งกล่าวคือความสิ้นทุกข์ไม่มีก็แนะนําบอกเปิดเผยแสดงบอกกล่าวว่าเออประโยชน์แห่งความสิ้นทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้คือทําประโยชน์สามเหล่าเนี้ย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 ออกไปอย่างกับความรู้สึกเลยว่าตนเองมันปรารถนาที่จะทำให้จริงๆและเมื่อทำให้เขาแล้วเนี่ยก็กลับมายิ้มกลับมาปริ่มกลับมามีความสุขเบิกบานชื่นใ จ, จเจริญใจเมื่อเห็นบุคคลอื่นได้ดีนิสลักษณะของเมตตาเนี่ยกิจของเมตตามันจะออกมาลักษณะแบบนี้นะทีนี้ถ้าหากว่า ไปทำสิ่งต่างๆให้เขาแต่ใจมันเศร้าหมองพึงรู้ด้วยเถอะว่าอันนั้นเมตตาไม่ออกแต่เมตตามันต้องออกมาด้วยความผ่องใสด้วยความเอิบอิ่มด้วยความปีติด้วยความชื่นใจเบิกบานใจเจริญใจอะ่ะเช่นว่าอยู่ในแวดวงของลูกน้องนะเป็นร้อยเป็นพันนี่นะก็เมตาก็แผ่ซ่านไปบุคคลทั่วไป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 ไม่ให้เมตตาถอยหลังไม่ให้เมตตาหกลม้มแต่ถ้าหากว่าคนเจริญเมตตาไม่เป็นเนี่ยนะบอกแม่อุตสาห์ทำแทบแย่เลยว่าไงเนี่นยแม้ยังไม่เห็นความดีเราอีกถ้าอย่างงั้นก็กเลิกกันเลยเราเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ลักษณะของคนที่เจริญเมตตาเนี่ยมันไม่หกกลม้มไอตัวพยายามความ้าความเพียรความบากบั่นเนี่ยนะความเพียรมันมีหลายระดับเนี่ยหนึ่ง เพียนออกจากความเกียดค้านใช่ไหมแล้วก็เพียนพยายามต่อสู้เนืองๆเลย น, นะไอ้คำว่าเพียนพยายามต่อสู้เนืองๆ น, นั้นเป็นชื่อของการทําอะไรทําเมตตาเนี่ยทําสมถะนี่ยนะกรรมฐานเนี่ยให้เจริญเกิดขึ้นสืบต่อไปเนี่ยแล้วก็เพื่อคุณธรรมเบื้องสูงไม่ใช่อยู่แค่เมตตานะ เพราะเมตตาเนี่ยเราเพียงเพียงว่าเป็นสาภาวัเถ า, าเท่านั้นเนเป็นกรรมฐานที่จำปราธนาในกิจทั้งปวงเท่านั้นเนแต่ว่าสักวันใดวันหนึ่งเนี่ยเมตตานี่แหละจะเป็นบรรทัาน์แห่งการแทงตลอดอริยสัจเนีนันเพื่อการบรรลุธรรมคุณธรรมเบื้องสูงง้ตัววิริยะเนี่ยจะประคับประคองเมตตาเพื่อสู่เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่อยู่แค่เมตตา แต่ในปัจจุบันเนี่ยต้องรีบวิ่งห้องหาเมตตาเพราะใจยังไม่มีเมตตาอย่างต่อเนื่องคือเมตตามันลุ่มลุมดอนดเนีนนะ่ยเหมือนฝนตกบ้างไม่ตกบ้างใช่ไหมเออวันนี้ฝนตกชุกอยอดไปซีกแล้วเนี่ยมันไม่ตกอีกแล้วเพราะฝนตกไอ้ต้นไม้มันก็จเจริญงองามอยู่เออในยามที่เมตตาเกิดขึ้นจิตใจมันก็ชื่นบานเ อ, อิบอิ่มพองไสเนี่ยนะ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 ทหารชั้นเลวชั้นกลางชั้นยอดเยี่ยมเลยนะถ้าระดับทหารชั้นเลวๆนี่ก็โอ้โหถ้าหนึ่งหมื่นคนเนี่ยจะไปสู้รบกับเขาเนี่ยเนี้ยบางทีไปสู้ทหารชั้นดีสามพันเนี่ยสู้ไมไ่เพราะว่าการฝึกซ้อมก็ไม่ดีฝีมือก็ไม่เก่งไอแถมใจไม่ร้อยอ่ะ ใจไม่ร้อยนักปฏิบัติถ้าชั้นต้นๆชันน้นเร็วๆเนี่ยเนยก็เหมือนกันเออประเภทที่ท่าดีเอาแน่เนี่ยนะแต่พอไปทําท่าทําทางหน่อยโอ้ไม่เอาแล้วมันถอดใจซะอีกแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างงี้ก็เรียกชั้นชั้นเร็วอันนี้ไม่คู่ควรถ้าชั้นกลางๆก็ประเภทนี้บากบันหน่อย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 สองครัง้งสามครัง้งสี่ครัง้งก็เล็วแล้วเราเราก็ก็ทำอยู่เงเหมือนนักปฏิบัติท่านหนึ่งที่บอกว่าใหม่ใหม่ก็คิดว่าเอออย่างตนเองเนี่ยต้องเจดวันก็ได้ผลแล้วพราเจ็ดวันน่ะไม่ได้รู้อะไรเลยเนี่ยเนี่ยเอาไม่ถอยเป็นเดือนเป็นสามเดือนเป็นปีเป็นสองปีไปไปมามาทำอยู่อย่างนั้นนะ่สามสิบปีเนี่ยเนี่ยเออถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าระดับสูง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 ต้องเตือนตัวเองอย่างอย่างเรามันต้องใช้ขอแหลมแหลมใช่ไหมถ้าใช้ขอไม่แหลมสับแล้วมันไม่ค่อยสะดุง้งต้องขอแหลมแหลมสับแต่นี้มันจะสะดุ้งเลยเดีอยวนี้ เ, เลยเล <laughs> พราะอะไรหรือเป่าเพราะอะไรหรือเป่าเพราะว่าก็ว่าไปอย่า ง, ง น, นั้นแล้วมันไม่เอาจริงหรอกก็ตนเองรู้ตัวเองอยู่ใช่ไหม ถึงจะว่ายังไงยังไงก็ว่าด้วยความรักมันว่าด้วยความรักเพราะจริงๆเอียแกล้งว่าไปอย่างนั้นแต่บางทีที่จริงโอ้มันรักตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วฉะนั้นเพราะเรารักตัวเองมากไงถึงจะว่าแต่ในใจลึกๆเราก็รู้อยู่ว่าเราว่าเราไม่ว่าจริงจังเท่าไหร่แต่ถ้าคนอื่นว่าเนี่ยเราสำคัญว่าเขาว่าจริงๆเลยโกรธจริงเลยตอนนี้ไม่มองกันเลยตอนนี้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 เมตตาเมตตาถ้าเกิดขึ้นนะสังเกตว่าผลหรืออาการปรากฏเนี่ยความแค้นมันหายไปความมาคาดหายไปความหงุดหงิมหมดมันหายไปความโกรธมันหายไปความน้อยเนื้อต่ําใจมันหายไปแสดงว่าเมตตามีผลแล้วเออต้องดูตรงนี้ด้วยนะว่าเมตตามีผลหรือไม่มีผลเออต้องดูตรงนี้ด้วย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 เออหลายหลายคนเนี่ยเนี่ยกเกษียณอายุมาเนี่ยโอ้โหเสียใจคือแต่ก่อนที่ยังอยู่ในตําแหน่งหน้าที่เนี่ยมีคนพี่นอพี่เทาเยอะเขาใช้คําว่าพี่นอพี่เทานี้เข้าใจนะคือไปที่ไหนคนต้อนรับเยอะแต่พอหลุดออกจอากตรงนั้นขึ้นมาแล้วมันมันไม่มีตรงนั้นแล้วความจริงมันปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยเออกลับไปในกรมกลองไม่มีคนทักเลยมีคนมีคนก็เล่าอี้ฟัง มีมีท่านหนึ่งนะระดับอธิบดีแต่ก่อนอยู่ในในตาแหน่งโอ้โหไปนี่พวกเลี้ยงแถวทําความเคารพหนึ่งทีนี้พอเกษียณออกมาแล้วไ้ยมีทุละในการที่ไปที่เนี้ยที่กรมเนี้ยคนยามที่ทําความสะอาดก็ก็ไม่ยกมือไหวอ่ะหักลับมาเสียใจเลยเป็นไข้หนักเลยก็ถ้าถ้าอย่างนี้หนักแล้ว แสดงให้เห็นชัดว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะรัเมตตา<ม>ทีนี้เราก็สังเกตว่าเมื่อเราจเจริญหรืออบรมเมตตาแล้วเนี่ยไอตัวเมตตาจะบ่มบัติความแค้นความอาฆาตนั่นคือผลปรากฏเนี่ยก็มาสังเกตว่าเออผลปรากฏเกิดขึ้นกับเราไหมนี่เราสังเกตได้ไม่ยากใช่ไหมเช่นว่าเรานั่งคุยกับใครเนี่ย มีใครพูดกับเราไม่ดีเนี่ยเออความโกรธมันขึ้นมาแทนไหมแต่ก่อนเคยโกรธเคยงุดหงิดง่ายอะไรง่ายเนี่ยสิ่งต่างๆนี่มันหายไปไหมถ้ามันหายไปเนี่ยบ่งบอกเลยว่าเออเมตตามีผลแล้วนี่ต้องตรวจสอบเองไหมตัวเองต้องตรวจสอบเองต้องพิจรารณาเองว่าเมตตามีผลไหมอันนี้ต้องตรวจสอบเองเนะถ้าหากไม่ตรวจสอบเองก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ อันนี้ต้องต้องตรวจสอบเองทีนี้การที่เราจะตรวจสอบเองได้อย่างนี้นั้นะก็ต้องว่าต้องสังเกตใ บ, บ่อสังเกตใจของเราเองบ่อยๆในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสแล้วก็คิดนึกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ใจเป็นไปกับเมตตาไหมโอ้มันชื้นมั้ยมันเป็นไปได้วยความผ่องใสด้วยความเออบอิ่มไหมล่ะถ้ามีคนมาตําหนิติฉินอะไรต่างๆเหล่านี้พิจารณาปุ๊บก็ความโกรธก็ไม่ขึ้น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 ท่านตั้งจิตปรารถนาอะไรเข้าไว้เรารู้ว่าถูกประสงค์ของเขาแล้วเราก็รู้ว่าท่านผู้นี้เป็นคนมีบุญมากเราก็เมตตาเจริญเมตตาให้ท่านผู้นั้นแล้วก็ปรารถนาบอกว่าสิ่งที่นายกรปรารถนาอยู่เนี้ยขอให้สำเร็จโดยง่ายสำเร็จโดยเร็วสำเร็จโดยสะดวกสำเร็จโดยชะพันนะอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางขอให้ท่านเหล่านั้นจงสาเร็จตามความปรารถนาของท่าน บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ท่านเหล่านั้นหวังเธอที่จริงเนะ่ยคือการการแผ่ตัวแงเนะี่ยรู้ปะในขณะที่เราแผ่ให้บุคคลอื่นแบบเนี้ยยิ่งท่านเหล่านั้นมีคุณมากไอตัวเมตตานะี่ยมันก็จะย้อนตอบสนองบุคคลที่แผ่เมตตาได้มากขนาดนั้นยนะินเป็นอย่างนี้โดยคําสอนตรงนี้คนส่วนมากก็ก็ไม่คิดกันพราะไม่รู้พอไม่รู้ก็จเจริญเมตตาไม่ค่อยไม่ค่อ ย, ไ ม, อยไม่ค่อยดีแล้วบางทีเนี่ยนะ เช่นถ้าเราจะแผ่หรือจเจริญเมตตาให้กับศัตรูเนี่ยเรารู้ว่าศัตรูเขาหวังความจเจริญรุ่งเรืองใดๆนเนี่ยเนี่ยพอเราจะให้เขาประสบความสําเร็จเนี่ยใจเราให้ไม่ได้มันจะหนีหนเนี่ยจะหนี่คุณน่ยโอ้โหไม่ได้ถ้าเขาสําเร็จอย่างที่เราว่าจริงๆเราไม่แย่หรือเนี่ยนะถ้าสมมุตินะอาจเป็นคู่แข่งกันเลยนะเป็นคู่แข่งกันเลยระดับตําแหน่งเท่าๆกันเนี่ยเนี่นี่ก็หวังว่ามันมีนายใหญ่อยู่สมมติ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 เราจะไปทำเจ้าเล่อย่างนี้ไม่ได้ทำแบบแบบจับจิตจับใจแบบเป็นไปด้วยน้ำใสใจจริงๆเลยไม่ใช่ว่าวางแผนลอ่อเขาไว้ว่าที่เราให้เมตตาอย่างนี้เพื่อเราหวังจะขึ้นสูงเนี่ยเราให้เขาจริงๆเลยใช่ไมเอกการตนหนีตรงเนี้ยเราขาจัดได้ไหมเราเราตนหนีเมตตาใช่ไหมเราไม่บริจาคเมตากัน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 เช่นในในพี่น้องเราเนี่ยนะไม่ต้องคนอื่นหรอกสมมุติเรามีน้องห้าคนมีพี่สามคนอี้หรือมีเพื่อนมีอะไรไงนะเอาเราก็เจริญเมตตาให้กับน้องคนนี้คนนี้อา้าวมันไม่มันไม่ไปอ่ะบางคนเนะน้องบางคนทําตัวน่าเกลียดเราไม่ชอบเขาใช่ไหมเวลาจะเจริญเมตตาสักหน่อยมันไม่ไประบอกไม่ยอมไปเมตตามันดื้อยังกระจงวัวออกจากคอก็ไม่ยอ ม, ม, ม อ, อ, ยออกอนีอมออก่มันมันไม่ออก ที่ต้องต้องอารมณ์ไหนที่มันไม่มันไม่คล่องมันก็อย่าพึ่งกลับมาเจริญให้กับตนเองให้อย่างมั่นคงก่อนเนยนะแล้วก็แผ่ให้กับกลุ่มอื่นจนสาธารณะจนชัดเจนไปเสร็จแล้วก็ย้อนไปแผ่เมตตาให้กับอารมณ์นั้นอีกแผ่จนสามารถทะลุทะลวงอารมณ์นั้นได้เข้าใจไหมจนไม่ติดขัดเนะี่ยมองปุ๊บ ก, ก็เมตตาไหลเป็นน้ําไปเลยอันนี้เริ่มได้ผลแล้วมันเหมือนเราอ่านหนังสือนะ พอมองเห็นปุ๊บเนี่ยมั น, ม, นมันอ่านได้เรียบร้อยเบีเสร็จแล้วแต่บางตัวเนี่ยมันยังไม่เสร็จคล้ายๆว่าคำคำเนี้ยมันไม่ค่อยได้อ่านอย่างยกตัวอย่างเช่นว่ามรุขคาทายวันเนี่ยเนะยเออคําำนี้มันอ่านไม่ค่อยออกเราไม่ค่อยได้ผสมเนี่ยนะก็ก็พยายามตรึกบ่อยๆนึกไปบ่อยๆที่สุดยริงเดี๋ยวเห็นปุ๊บก็อ่านได้ไอ้เมตตาก็เหมือนกันอารมณ์ใดที่มันติดขัดก็ ตรึกอารมณ์นั้นบ่อยๆตรึกอารมณ์นั้นบ่อยๆทําเมตตาให้เกิดอย่างต่อเนื่องในที่สุดจริงๆก็ทะลุทะลวงอารมณ์นั้นได้ในที่สุดจริงๆพอเห็นอารมณ์ประเภทนี้ผ่านเข้ามาเมตตาก็เดินได้ไม่ติดขัดเมตตานั้นต้องเดินได้สิทิทินะต้องเดินได้อย่างเดี๋ยวต่อไปจะไปบอกวิธีการว่าเขาเดินยังไงเขาทําเมตตาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยังไงอาวนทั้งสิทิทิตเป็นยังไง แผ่ให้กับหญิงทั้งหลายชายทั้งหลายโอปปาติกาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยหรือให้จํากัดบุคคลเจาะจงไม่เจาะจงอย่างไรเนี่ยก็ก็จะมีวิธีการในการที่จะไปอบรมหรือการเจริญเมตตานั่ยฉะนั้นการ mm hmm. การแผ่เมตตาเนี่ยการอบรมเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะต้องมนุษย์การและทําให้ต่อเนื่องประการที่สี่ประทัดฐานนะ ประทัดฐานนนเนี่เหตุใกล้นะความดีที่น่าพึงพอใจของสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีการนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีงามเป็นเหตุใกล้การที่จะเจริญเมตตาได้เนี่ยต้องนึกถึงสิ่งดีใช่ไหมเช่นท่านแต่ละบุคคลเนี่ยนะจะต้องมีสิ่งดีและไม่ดีอยู่ในตัวทั้งนั้นแต่การที่จะทำให้เมตตาภาวนาเกิดหรือเมตตากรรมฐานเกิดก็ต้องมองจุดดีของท่านนั้น เมื่อมองจุดที่ดีแล้วก็เห็นจิตมันจะมีความรักความเมตตาความเอื้อทอนแบบใจจริงผองมามันจะปิดส่วนเสียของท่านนั้นเลยเช่นว่ากายกรรมดีแต่วจีกรรมมโนกรรมของท่านผู้นั้นไม่ดีเมตตามันจะวิ่งไปที่กายกรรมแล้วเห็นแล้วสามารถขยายกายกรรมแผ่ปกคลุมวจีกรรมมโนกรรมของท่านผู้นั้นที่ไม่ดีเสียได้ หรือคนบางคนเนี like to to ่ยวจจีกรรมดีแต่กายกรรมกับมโนกรรมไม่ดีตัวเมตาก็จะวิ่งไปพัวพันอยู่กับวจจีกรรมของท่านผู้นั้นแล้วก็ขยายวจจีกรรมไปปกคลุมกายกรรมและมโนกรรมของท่านผู้นั้นไม่ให้เห็นมันก็เมตตาก็ปกคลุมไปได้หรือท่านบางท่านเนี่ยกายกรรมวจจีกรรมไม่ดีแต่มโนกรรมดีเนี่ยนะจิตใจงามเนี่ยนะ ตัวเมตตาเนี่ยมันก็จะไปที่จิตใจเลยไม่ดูพฤติกรรมหรือการกระทาของท่านผู้นั้นเลยแล้วก็จะปิดส่วนทั้งสามสนทั้งสองนันเสียแต่ถ้าไปเจอบางคนเนี่ยกายกรรมวัจจิก ร, ร ม, มโนกรรมมันแย่ๆเนี่ยนะก็จะมองมองมองเป็นจุดดีไปเลยว่าออท่านผู้นี้ในอดีตกายกรรมวัจจิรา ม, มโนกรรมก็เคยดีมาไม่ได้มาแย่อย่างในปัจจุบันนี้หรอก หรือแม้ในอนาคตสักวันหนึ่งก็จะต้องเปลี่ยนเป็นสุจริตสามก็จะต้องดีเนี่ยนะไม่มองพฤติกรรมในปัจจุบันแต่มองพฤติกรรมในอดีตและย้อนไปในอดีตแล้วก็สาวไปหาอนาคตของท่านบุญนั้นว่าจะต้องมีดีดังนั้นไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เออตรงนี้เห็นไหมว่าตัวเมตตาเนี่ยมันจะวิ่งหาสิ่งดีๆก่อนเป็นเหตุใกล้ก่อนแต่ยังเรามันคิดไม่ออกใช่ไหมอันนั้นเพราะว่าเราจเจริญเมตายังไม่เข้มขน้น ถ้าเจริญเมตตาเข้มข้นนะเห็นคนทำชั่วอยู่เฉพาะหน้านี่เขาเป็นมนุษย์นี่ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยแสดงว่าเขาต้องทำบุญมาดีเนี่ยถึงได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยถึงเขาจะชั่วก็เพราะความประมาทเลินเล่อเนี่ยนี่ที่จริงในอดีตท่านบุญเนี้ยจะต้องทำกุศลมาเป็นอย่างดีแมรูปร่างหน้าตาก็ดีผิวพรรณก็ดีฐานะก็ดีอะไรก็ดีหมด เสียแต่คือกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเท่านั้นเองเพอมองอย่างนี้นะมเมตตาก็เกิดอีกรบางคนเห็นว่ามองไงก็ไม่เกิดเหมือนไส้ไปหมดเลยอย่างนี้อย่างนี้เสียแล้วเพราะว่าเจริญไม่เป็นนี่นี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีการนึกถึงสิ่งที่ดีงามเนี่ยนะโดยไม่มีการนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีงามอันนี้เป็นเหตุการณ์สิ่งที่ไม่ดีไม่คิดเลยปิดหมดเลย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 บางคนเนี่ยฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เออแล้วก็ไปดูว่าเออเขามีจุดอะไรดีบ้างถ้าไม่มีก็มองย้อนอดีตดังที่ได้กล่าวอย่างนี้เขาเรียกประทัดฐานเหตุใกล้ก็ต้องดูว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ของเมตตาตัวสภาพของเมตตานั้นก็คือว่าทีนี้เราก็ไปฝึกมองเลยนะถ้าเห็นคนไม่ดีปุ๊บผ่านมาเนี่ยแต่นี้เริ่มคิดเป็นแล้วไม่ใช่คิดมองอยู่ว่าไม่ดีไม่ดีตรงไห น, น อ่าถ้าเขายิ่งมาด่ามาทำร้ายเรามาประทุนร้ายมาเรามารังแกเราด้วยแล้วก็ก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมนีเ่เป็นการตรวจสอบว่าเออประทัดฐานเราดีไหมบางคนนี่ไม่ได้เลยเนะี่ยทั้งทั้งที่เขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนักหรอกเจาะเอามาจะได้ยังไงเจาะเอามาได้บางทีเรื่องมีนิดเดียวอะ่ะแต่สามารถเอามาพูดจนคนอื่นเกลียดเป็นแถวได้ออมีอย่างนั้นเนะี่ มีบางคนเนี่ยมันเขาเขาก็มีความชั่วแต่คนนี้เพอเอิญก็ไม่ชอบพอไม่ชอบก็เลยบอกเออเมื่อเราไม่ชอบเพื่อนๆพื่อ น, นเราก็ต้องไม่ชอบคนนี้ด้วยก็เลยเอาส่วนเสียของคนนั้นมาพูดโอดพูดใหญ่เลยทอธิบายอาศัยเป็นคนพูดเก่งเพื่อนฟังก็เออดีนะไปหมดเลยแต่เนี้ยก็ไม่รู้นะว่าตัวเองก็ททำบาปที่จริงทำบาปอย่างงี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนพูดตรงนะ ไม่ใช่เขาเรียกเป็นถ้าพูดแล้วทำให้ใจเป็นบาปยกตัวอย่างเช่นเนะ่มีคนคนหนึ่งไปทำชั่วแล้วเขาเขาทำชั่วนี่นะทีนี้อีกคนเนี้ยก็ไปรู้ว่าคนคนนั้นทำชั่วอีกคนหนึ่งบอกเฮ้ยไปบอกได้เลยเขาจะได้รู้ว่าอีกคนคนนี้ชั่วอพอบอกปุ๊บมาคนที่เราบอกเนี่ยก็พอยโกรธแต่ก่อนก็โหไม่โกรธคนนั้นนะนะ พอบอกปุ๊บคนแล้ว ก, ก็เลยโกรธเลยเนี่ยเอยเป็นเหตุทําให้คนอื่นช่วยยังไม่รู้ว่าเราบาปแต่จริงเราบาปแล้วนะเนี่ยเพราะคําพูดของเราเป็นเหตุทําให้คนบาปเขาใช่ปะเป็นเหตุทำให้คนบาปไม่ใช่เป็นเหตุทําบางทีเราพูดเนี่ยมันเหมือนถูกต้องหมดแหละแต่คนฟังเขาฟังแล้วบาปเกิดนี่แล้วเป็นเจตนาของเราด้วยนะแต่ถ้าไม่มีเจตนาอันนั้นอีกอย่างเช่นถ้าเรามีเจตนาว่าเออ พูดแล้วเขาจะได้โกรธเขาจะได้รู้สัทีลักษณะอย่างเนี้ยอย่างนี้เสียฉะนั้นปะทัฏฐานเนี่ยต้องดูสิ่งที่ดีงามสามปตินี่พยาปาทูปัสะโมสัมปติการสงบพยาบาทลงได้เป็นเวลานา น, านเป็นความสมบูรณ์ของเมตตาความโกรธความพยาบาทความมาคาตสงบได้เป็นเวลานานนานไหมอันนี้เบื้องต้นนะ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 แต่ก็ดีนะถ้ามองในแง่ของปุ้ดูชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสเนี่ยคนที่โกรธโกรธเนี่ยโหคนเกรงเยอะใครว่านิดหน่อยก็เดี๋ยวไม่ได้รู้ไหมบอกว่าจะเดินก็ต้องเดินเบาๆนะถ้าหากว่าทําเสียงดังเดี๋ยวไม่ได้เดือดทากขวางใจเราแล้วยุ่งใช่ไหมบางทีเขาไม่ด่าแต่เขาใช้สายตาเนียคนที่เขาเน้นมากๆเนี่ยใช้สายตามองปุ๊บหนีไปว่ารู้กันการใช้สายตามอง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 แกก็ใช้สายตามองมองแบบถลึงตามองอันนะแล้วก็มาเล่าให้ให้พระฟังโมกหูมองน่ากลัวจริงๆพี่จะทำยังไงก็บอกว่าต้องไปเตือนแกอันนี้เขาเรียกเมตตาเอมเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นเป็นกายกรรมที่เป็นโทสะไอที่ถลึงตามองเนี่ยถ้าตายลงในขณะนั้นก็อบายทุกติวินิบาทนรก แกก็ใช้สายตาถลึงมองมองจ้องนะใกรจะบอกว่าทําไมทําทําฆ่าขนาดนี้อ่ะทำไมเตรจะพูดแล้วไงเตรียมไว้ไงเตรียมสายตาไว้อย่างมองแบบเมตาก็แล้วกันนะเขาจะทำไงก็มองแบบเมตตาทําได้ไหยทําไม่ได้แล้วเนะี่ยยุ่งยากแล้วจุดนี่แกก็มองลักษาอย่างเงี้ยแต่นี้ตอนนี้ตายไปแล้วโอ้โห น, น, นี่น่ากลัวมากเพราะเพราะไม่ได้ฝึกเจริญเมตาเก้าไว้ นั้นต้องมันต้องเตรียมตัวไว้พร้อมเพราะว่าวัาวานใดวันหนึ่งจะถูกมัดบนเตียงใย่ไหมจ๊าถ้าถูกมัดเนี่ยจะร้องไว้เนี่ยก็ลองลองนอนลองนอนก็ลองลองมัด ต, ตัวเองดูบ้างหรือให้ใครลองมัดดูมดัดดูสักวันสองวันลองมัดดูทดสอบว่าจะโกรธไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าไอตัวเมตตาไม่มีเนี่ยมันจะพยาบาทมันจะเข้ามาครอบงํา